เขาตัวนั้นโรคหัวใจตีบสูงเลือดไม่ทันนั่นฉันยาอยู่ทุกวั น, นเอามาเอามาเอามาเอาม า, เ, า, มาเห็นกับท่าลุงร้านเอย๋ยไปใส่เบ็ดถึงเป็นพานเบ็ดอายุส5้าปีเรื่องโรงเรียนแล้วก็ไปแล้ว ปลาไหลมันกินเบ็ดที่นี่เราใส่รากดินไว้ปลาไหลมันชอบมันกินเบ็ดจริงธรรมดาปลาไหลกินเบ็ดมันกืนลงท้องซะก่อนมันจะไปมันไม่เหมือนปลาธรรมดาเรากืนลงท้องซะก่อนบางวันก็วันละตัวบางวันก็ไม่ได้แต่ว่าถูกปลาความเป็นจริงเราก็ใส่เอาปลาเองแต่ว่าใส่เบ็ดที่มันกรองมาคิดดินว่ารากๆปลาไหลมันกิน แต่ห้ากตัวแลวช่วชีวิตนี่ก็เบือจะถึงสักสิบกว่าตัวละปอะไริินเด็กแวกเอาแวกเอาแหกเแวกจะปากประมาณนี้เวรอาตามมาสนองเ้สองพันห้ารอยสามสิบเหมือนกันเงีังนคมนเป็นโลกถุงนําดีช่ไีมสมาทาน ม, ม่ผ่าไมตัดเงี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 สายเอาสายยานยขนาดนี้ยัดเข้าลงนี่พวกคนหมอพวกคนหมออย่าได้วางยาหลวงปู่ให้สงบเด้อเพราะหลวงปู่ไม่เชื่อใจพวกคนหมอเตรงว่าพวกคนหมอจะเอาหลวงปู่นอนข้างคืนในโรงพยาบาลและเกงจะผ่าตัดให้หลวงปู่ด้วยวก็ราะหลวงปู่สมาทําให้ฝ่าไม่ตัดและสมาธิไม่นอนข้างคืนในโรงพยาบาลพวกคนหมออย่าเอายามา ให้ลงปูสรุปเราจะทำยังไงก็เอาอะไรมาทานเนี่ยยัดลงนึ่ยัดลงนึ ง, ล ง, นงแล้ว ก, กำหนดเราพาจะขับออกตัวประมาณชั่วโมงหนึ่งก็อันเดียวกับปลาไหลกินเบ็ดนั่นเอง <c oughs> สายอยางลงมานี่อป่าอยู่นี่เขาบอกว่ากลืนกลืนจะกลืนยังไงได้ก็ เพราะมันคาอาปากเหมือนมันจะเกินไงนะต้องงับเข้าจา ก, ก่อนจะเกินได้แต่อายุแทบมันลงแล้วถึงเอาอยู่หนึ่งชั่วโมองจริงเสร็จที่มันไปออกคอคอสองเมตรสามเมตรเขาใช้ดูอันนั้นก็เวนเวนปาลาไหลเองวันกันที่ในเวนจุดป่ามีอีกอายุสิบเอ็ดสิบสองปีไปจุดป่าดักนก ขึสามเข้ากำลังสมายิเรียนนังสือจุดป่าในสมัยราชการที่ของบรจุดได้ทุกวันนี้จุดไม่ได้เนียฟิตคุกเดินไปมดวันยังเข้าเขามาเห็นกะนมกะน้ำกระแหนมเสียเฉียงเขาเฉียงไรเฉีงนาเขาแต่ทุกวันเนี่ยไปจุดมันก็ถูกเข้าคุกดักนก านกมันบินมาลุตตายบางทีก็ได้วันลนะตัวบางทีก็ส อ, องตัว3าตั ว, ต ว, ตวบางวันก็ไม่ได้ทีนี้ห่างจากนั้นมามาอยู่วันหหว้ทรายว่ทร า, ายคำาชีอีเป็นพระกรรมฐานเลยสพันสี่ร้อยเก้าจะหกไฟไหม่กุติช็ดเลย <c ười> <c ười> <c ười> ไฟจะของไหม ไปเป็นถวาดกลับมาบมันร่มกำลังชั้นอาหารอยู่ส็ดเลยยังแตะผ้าคาตัวหลวงปู่มหาบวกหัวละเออบุพกรรมของคนเรานี่ไม่เหมือนกันยังจะฆ่าผ้าคาตัวปลดก็ไม่หมดมุ่งก็ไม่หมดยังเหลือผ้าคาตัวเท่านี้ส็ดเลยเราก็นึกเขียนบุพกรรมที่ไป ลวด ป, า, ปาดักนกกันเดียนั่นทีนี่สิ่งที่ดีก็เห็นทีนี้เคยได้กอบอุชระหลวงปู่มันทนีเคยได้กอบอุจฉะหลวงปู่มันหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านนี่ไม่ควรเอาจอบเอาเสียมเน้อเมื่อเวลาท่านถ่ายพิษปกติก็เอามือกอบออกหลวงปู่มาหาบอกแล้วก็กอบใส่พุ่งกี้เดี๋ยวแต่ก่อนไม่ได้เรียกหลวงปู่มาหาเรียกว่าท่านอาจารย์มาหา ท่านบวชก่อนเราเพราะเราไปสร้างคารวะอยู่บวด ท, ที่หลังนก่นเมื่อก่อนอุตระละหลวงปู่มัน่นบางคนเขาบอกว่าหลวงปู่ให้เลขแล้วก็พูดให้เขาถึงธรรมเขาไปผูกเอาเลขมันก็ไม่หาบนะถูกไหมหลวงปู่ให้เลขอไอ้ที่แท้เราเราพูดให้เขาเข้าถึงถึงธรรมเขาไปผูกเอาเลขมันก็ไม่หาบเนละชิบหายตายหมดพวกนัน อันนี้พูดรับช็กก่อนเดี๋ยวบางทีจะบอกว่าลูกปู่อะอายเอาเลขให้เนอะผู้เล่นเลขอเมฉนป้ายบอกไวแล้วอืมฉันป้ายบอกไวแล้วทีนี้เวลาลกปู่กรอบอุจจาระลวงปู่มันอยู่สาปีไปปีที่หนึ่งท่านยังไม่ป่วยกรอบใส่พุ่งขีพุ่งขีแล้วก็ไปทิ้งทางอื่ น, นเวลาท่านถ่ายพิตปกติเพราะท่านป่วยนอนขาที่ ก็ลุกไปมาได้บ้างเวลาเราป่วยลงถ่ายวัตุถละไม่ออกเป็นโลถ่ายก็ไม่ออกเนี้วแข็งตั้งเนี้วตั้งแข็งด้วยถ้ะก็ในระหว่างสองพันห้ารอยสิบันห้าร้อยห้าห้ารสิ เักเอาสบู่มาใส่มือนึ่งไม่ไม่มีถุงไม่มีถุงแยงเข้าไปในตวันนับรองปูเกาะออกมาเกาะออกมาเกาะออกมาเกาะออกมาเกาะออกมาเกาะออกมาทั้งตั้งแขยงตั้งเหนียวออกจากกันแข้งหรือย่างเหนียวเหมือนยาวมาตูมนี่เกาะออกมาก็ออกมาเราก็เนตเข็นอันที่น่ะเอออันนี้สองอันนั้นเราก็พูดอย่างนี้ออยู่มาอยู่มานี่มีผู้มาเถียงมีผู้มาเถียงทํา จำห้องน้ําให้ห้องน้ำเขาลูกปูเขามาเทียงทําอันหนึ่งนี่มาเทียงทีล้างหมูอันนี้เขาทําก่อนสองอันลูกปูปล่อยให้หมูว่างแล้วมาให้หมูอนน่อันหนึ่งอันนี้เหลือไว้อันนี้อันนั่นเขาก็มาทําให้เหละเขาจะให้ลูกปูอยู่ล้างนั่นลูกปูอยู่ให้เขาหนึ่งเดือนลูกปูก็เลยมาอยู่ลังนี้ตามเดิมเขาทิ้งให้หมูอัหนึ่งสองสาม สี่ห้ากับอันอยู่ข้างล่างคนคนเดียวคนคนเดียวมีห้องถ่ายห้าอันก็อันนี้สองอันนี้นี่ น, น, นี่ถูกไหมทําไมจริงว่าอย่างนั้นทำอะไรก็เรียกว่าอันนี้สงของตนอันนี้สงของครูบาอาจารย์และหมูเมหม่เพื่อนของพระพุทธธรรมพระสงฆ์และขอครูบาอาจารย์และหมู่เพื่อนพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไม่มีหลักหรือของญาติโยมไม่มีหลอกมีอยู่ แต่สำหรับเรามีที่บวกไปอย่างนั้นเนาะเข้าใจนะทีนี่เอาละต่อไปนี่จะให้พอเหน่วยแล้วเข <c oughs> าไซื้อมเนี่ยเขาไซื้อมาให้ไวอ้าใคได้แล้วอยาไปเอ า, าใครได้แล้วสอนกรรมกำใดดีรีบทกำกรรมใดชั่วเวน้นซักเพื่อมีความประสงค์อย่างนั้นเนาะ ใแชกรรมแล้วคนอกรรมก็กคือก็คือเชื่อเพราพูปรานพระสง์ันเองอที่ื้อมามีบามีบนเข้าไปได้ไหมเขาเข้าไปไม่ได้ใช่ไหมหมาส์สีดัไหมฮะเออคนทาคอีสานหรือคนากลางฮะคนภากลางคนอากลางนันนี่มาสสีคนทางอีสานูัไหมห ม, ามาส์สีามา มีขา ว, <ด>าวที่นี่เขาถือว่ามีบามีบุญเข้าไปได้ไหมแต่กระเจงแล้วลูกหลานเออใช่ไหมอ้าคนอมีนิกาอยู่นี่ไหมมีสักคนไหมนะไม่มีพครรักเชียอยู่นี่มีไหม ทำไมแผนดินเจิงอทอกพังในประเทศอเมริกาในประเทศอินเดียอ๋อพราะประเทศอินเดียเบียดเบียนพระพุทธศาสนาใช่ไหมประเทศอเมริก า, ม, ก า, า, า, ม, ม, กามันอ๋อสร้างลูลระเบิดผลของรู่ระเบิดตามสนองพวกนั้นใช่ไหมแต่วพวกเรามันก็ตามสนองมาอยู่พวกเราพวกเราทําไมมันจึงแร้งภาคอีสาน ภาคกลางาก็แล้งไม่มีฝนภาคเหนือก็แล้งเพราะผลของกรรมที่ทําไม่ดีทําลายป่าไม้ลําทานอันนั้นมันเป็นปายเหตุพวกเขตุมันมีอยู่ไปเสพเมถุนเขาแล้วเขาฆ่าปิดป่าใช่ไหมนั่นเป็นผลของกรรมบาปอันนั้นนะฆ่าพ่อฆ่าแม่อีกเชียด้วยถูกไหมนะ ขอเงินพ่อเงินแม่มาดื่มสุราไม่ได้ก็ฆ่าทิ้งพวกเราพวกเราชาวพุทธพ่อพ่อเสพเมถุนลูกชิปหายตายคว่ำใช่ไหมภาคใต้ก็มากกนันพวกเราทำจกระปกมากพวกเราอยู่ห่างเหินจากศสีนธรรมพระพุทธศาสนาสอนแล้ ข่าวใดโลกโอลมาข่าวนั้นโลกค่าเืินจากเส้นธรรมพระบรมศาสต ร, ร์แต่พวกเราว่าต้นไม้ํำธานอันนี้มันไฟเหตุมันถ้าออกหนีจากพระพุทธศาสนาชาวโลกไปไม่รอดโอนลมาดดูอย่างนี้นะค้าขายเครอประหารค้าขายมนุษย์ค้าขายสัตว์เป็นเ ร, รื่อสัตว์ที่ต้าไเป็นอาหารค้าขายมาค้าขายยาพิการค้าขายหาอย่างนี้ชาวโลกไม่ควรประกอบเนือพระบรมศาสตราโุต บอกแล้วค่าขายเครื่องประหารค่าขายเครื่องประหารมันก็มีแต่ค่ากันเท่านั้นใช่ไหมครพูศาษาสอนให้มีศีลห้าปลดอาวุธแล้วใช่ไหมนั่นน่นถ้ามีศีลห้าบริบูลมาต้องตั้งกฎหมายมากเนื้อก็ตั้งกฎหมายแต่เพียงกฎหมายก็ประมาณและกฎหมายที่เกี่ยวกับภาษีเท่านั้นใช่ไหม กฎหมายอาญาก็ไม่ต้องตั้งกฎหมายก็ไม่มีนี่จะตั้งไว้กีน่าหน้าตามันก็ไม่อยู่ใช่ไหมเพราะมันไม่มียาอายต่อบาดไม่มีความกลัวต่อบาดต้อปีนอยู่เสมอๆนั่นเองตั้งมาเพื่อร่วงคนโง่เฉยๆใช่ไหมมีน้ําจ้ำผูตั้งกฎหมายเขาไปร่วงอีกด้วยรู้ไหมก็เขาไปร่วงอีกด้วยร่วงละเมิด น, นั่นเพราะไม่มียาอายต่อบาด เหตุนั้นคําสอนพุทธศาสนามันจึงมีค่าเมื่อเปลี่ยนปายออกจากคําสอนพุทธศาสนาเท่าไรก็ยิ่งอนละมานก็พพุทธศาสนาก็ยิ่งมีค่าใช่ไหมแม้จะโกนหัวลวนกว็าตามถ้าเปลี่ยนปลายออกจากพระพุทธศาสนามันก็เห็นอายมปทันตาใช่ไหมเราก็เหมือนกันท่านอื่นก็เหมือนกันถูกไหมนั่นเนืเทโลเกและหัวนามะความลับไม่มีในโลกเราปฏิเสธเราก็รู้ว่าเราปฏิเสธอยู่ เราก็กหกเราก็รู้โกหกหรือว่ามันจะรับทำไมทำชั้นสูงยังมีกว่านี้อีกอันนี้พูดทําชั้นต่าๆทําชั้นสูงที่นี่เห็นอันนี้จังคณะคิดหนึ่งเขเห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเขาโลกจะไปด้วยอันนี้จังใช่ไหมเห็นทุกคณะคิดหนึ่งเขเห็นโรกรอบหนึ่งแล้วเขาโลกจะไปรอบทุกค ได้นใรกรวนอนิจจังในในรกรวนทุกครั้งในในรกรวดอนันตาแล้วสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันด้วยเมื่อเห็นโลกจะไปด้วยความทุกข์แล้วความยินดีในโลกทั้งภูก็เบาลงเมื่อความยินดีในโลกทั้งภวอเบาลงทุกใจก็เบาลงผู้ยินดีในโลกทั้งภูก็คือผู้ยินดีในหลุงฐานเพลิงใช่ไหมนัเหตุ นั่นพระอรหันต์ทั้งหลายหาความสุขในโลกไม่เจอไม่เจอไม่พบไม่พะไม่เห็นจึงข้ามทะเลหลงของตนไปซะทําชั้นสูงทําชั้นสูงศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงเหมือนกันถ้าพูดเรื่องทําชั้นสูงศีลก็ต้องสูงสูงขึ้นด้วยสมาธิก็ต้องสูงขึ้นด้วยปัญญาก็ต้องสูงขึ้นด้วยทําชั้นสูงเหน ศีลชั้นสูงสมาธิชั้นสูงปัญญาชั้นสูงพุบธมังต้นเป็นธรรมชั้นต่ำแต่ก็ไม่ต่ำเพราะเชื่อกรรมและผลของกรรมเอาใครเขียนใครใครเรียนนนโมโจบพระรหังเรียนหนโมจบใช่ไหมพระสุรดารันเรียนหนโ ม, โ ม, นนนโมไม่ร่วงละเมิดสิ้นหาไม่ร่วงละเมิดวายยมุกันโมแปลว่นอบนอบ พระนันท์เรียนนโมโจบแล้วนอมนอมจนแม่มาเกิดแก่เก็บตายนอบนอมจนไม่มาโรคมาโกรธมาหลงเรียกว่าเรียนนโมโจบใช่ไหมทำแต่ละวันละบัดส่งต่อพระเนรพลหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาของแต่ละท่านนะโมก็ส่งต่อพระเนรพนหมดพุทธทางก็ส่งต่อพระเนรพลหมดพุทโธพระนันท์เรียนพุทโธจบแล้วเป็นผู้เบิกบานไม่โรคไม่โกรธไม่หลงใช่ไหมพุทโธเป็นผู้แปลว่าผู้ตื่นจากหลับ อรหังแปลว่าผู้ไกลจากกิเลสเรียนอรหังจบไม่มีกิเลสพระธรรมพระธรรมอ่าพระอรหังไม่มีกิเลสพุทธะสี่จำพวกสามาถุพุทธะจำพวกหนึ่งปจิเกพุทธะจำพวกหนึ่งสาวกสาวิกาพุทธะจาพวกหนึ่งพระนันศรทุกเขาจะเป็นตโกเตวิโชชลาเปนโอเป็นสามิราชประตอันนี้อีกกลุ่มพวกนี้ไมามาเกิดแก่เจ็บตายชนะความชั่วของตนแล้วชนะ ก็ชนะเกีรยรติของตนพระพุทธศาสานาแพทก็แพทเกีรติของตนชนะทางอื่นก็มีแต่เวีนสนองเวียนภัยสนองภัยพระพุทธศาสานาไม่ส่งเสริมนะชนะอั น, น, น อ, อื่นก็เวียนภัยทาํานผู้กูทีบึงทีพระพุทธศาสานาสอนมันมีที่แทงเลยมนุษย์สมบัติสอนดีแล้วผู้ดใดห่างเหินจากพระพุทธศาสานาเข้าใจว่า ตนเป็นผู้ฉลาดแต่เป็นผู้จะตายคนตาบอดสำคัญว่าตนเป็นผู้สนฉชมได้มันก็ว่ายริงๆใช่ไหมให้พรนะทีนี้นะเอาแล้วนะหนังสือเอาแล้วเอาเาสองอให้ครอบครัวเลยชุดดูให้จบเนอะหนังสือเยอะเนี่ยเอาหม่มาอือนี่นี่นี่นีนนนวดเข้ามาเพื่อลาบเพื่อวัเพื่ออะไรต่ออะไรฟันธมากอ เย่วงเย็ดข่าววิวาปราปริปยัสทุ่นวตารังบกบดีจิตังบดีตังตูมหังกิพเมวสวิตุแล้วพืผู้เรียนดูัง่าจโนายะโยธามเขาเทรถโยธาติโยวัจนาปุโโชาโยโดตูมเตปตัตยโยตุสตายโภิวาทาสีตาิจังวุฒาปจาโรธมวจันทอายโนสุังเทา ด้วยพระพุทธศาสนาแล้วก็บคุณข้าวไมีประมาณแล้วก็ช่องมีอยู่ทุกการด้วยแล้วขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้แล้วขึ้นอยู่กับผู้เชื่อและไม่เชื่อแล้วก็เหนือโลกอยู่ทุกยุทุกสมัยด้วยเมื่อเป็นดังนี้พวกเราทั้งหลายทุกคนหน้าที่ได้มาที่นี่พอดีมามาในที่นี่พอดีจงประสบจากความสุขความเจริญในบวพระพุทธศาสนาพระพุทมาทางพทธเจ้าทุกๆด้านในทางที่ชอบยิ่งๆขึ้นไปจนถึงที่ทุกๆโดยชอบโดยด่วนอยู่ทุกเมื่อมีประมาณคือ ขาดสามครั้งพุทโธนิพพานธรโมนิพพานสังโฆนิพพานรไม่ได้ขาเพื่อแก้ลำคาพุทโธนิพพานังธรโมนิพพานังสังโฆนิพพานเราพุทธธรรมสงก็ทรงอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่อื่นเราถือพุทธธรรสงพุทธธรสงก็อยู่ที่ใจไม่อยู่ในที่อื่นปัดเนี่ยงับงับงับงบอยู่เหนื่อยแล้ว ขินเรียนทำให้มีที่พึ่งให้ไม่มีที่พึ่งทางกายให้เห็นทินเรีนทำอยู่ในใจรู้ควาใจดีขึ้นอะไรบ้การภาวนาคืออะไรเบื้องเบื้องแม่พิมพ์อะไแม่พิมพ์คื อ, อยังพระพุทธเจ้า ทำาม่ได้เป็นแม่พิมพ์ทำคำสอนของเราเองจะเป็นสาธาแทนเราสันี้บับังคำสอนจะเป็นบังผีตัวใหั่คำสอนต่สอนลงในกายว่าใจใจเนี่ยนีะไรพทิจ่สอนลงนี่มีบ่พุทธจริเกิดกายว่าจใจเรเห็เหตผีตัวมาเห็ุพุดจริญกับสุสั เว่าเป็นสามออเป็นหนึ่งเป็นสกายกับใจวอกเป็นหนึ่งใจอันเดียวออกเป็นห้าขาดขันหะออกเป็นหกะดางงจมูกเดือกายใจออกเป็นเจระยสัเจ็ดนสัตาากต่ว่จ็ดนึม่ทุนจัง ก, ก็ าเป็นแปดกับอัดทั้งที่กามาค่าแปดหรือหลกกับทั้งแปดมาคูณเก้ากับมักพ้นี้ผ่านหรือมาละม่นที่ถึงเต่าอ ย, อยางหรือมักซีพ้นชีในผ่านเนื้อาคูณชิปกับคูณสมตทมาวัดชิปอันจะฆ่าที่การทิสี่สิบ หรือกราวัตถุเสีหรือนาคากาตที่พึงเสีบาื่นิบกันเ้าการัากะนใบา ท, ยายาบาทเป็นจสมบาตราพื้นชิบกัาขยายออกไปที่สองกับัศากาลังยาทาภู้ังยานสัตรังนี่นี่ พูด้พวกนี้เห็เอานี่เามด้เวเอาูนี่พูนี่กับเอาต่ให้มู่ยนี่ผู้มยีู่ดีผู้นี่กเอาตีว่า่้อยังไปปันไห้กว่าแ่้ะงูตายจะตะอรอผมมาดาบคารวะขอจิ่งกุบกันจะลงปูกับผมมาเข้าก่อนลงทางตะลิดไปถึงในคบคำาส่นอนไม่ได้ไม่ได้เข้าปีเดีย วัดป่าพุทธรามทักคงจำนานภาษาได้แล้วนี่มีพระยี่สิเอ็ดเนนสามเป็นย4ิบสี่เดี๋ยวนี้เจ้าคณะพักแปดไปในวัดป่าสุดเทววาดกับผ ม, ามหาเสด็จมาทำบริวงวันอนะนาฏนะเขาก็ไปอยู่ในสองสามเบอร์เนี่ยเขากายบุ นั่งโมตสัมปะกวาตุอะระหตุสมาสัมปวตัสสโมัสสะวต สากาของค า, า, ารวาตกฎหมายชุปจัปโนเหมือนกันในาสาขาก็หมายพระสวดาดิ์อาณาเขตนิทเกษตรีประมาณพักสารพัดเมีมากมายว่า น, นาดันทคามเมีมากพระสวัดาบานสกากราเมียก็มาตลอดถึงกรุงราชคือมีพระสวัดา์บันซื้าาเอเอสลหุตล ะ, ะ, าาะหุต ห, หนึ่งมีหมื่นหนึ่งซื้อเอสละหุตมันก็เป็นคนตั้งแสนะ นอกนั่นยังมีอีกพระสสดาบาลถึงพระสสดาบันแล้วสักาคาถามีอนาคามีก็เปิดประตูไปในไปเองไปในีลกจะเดินจงกรมภาวนาตลอดรุ่งก็ตามจะกอดอาหารอาปากกินลมเหมือนชมพูก็ตามยืนขาเดียวอาปากกินลมก็ตามถ้ายังเสียดายร่วงละเมิดอาบายจะมุถ้าเสียดายอยากร่วงละเมิด สินห้าเชื้อได้อยากกระถืออยู่ยงคงกระพันเชื้อไดอยากกระถือเหลิกดียามดีเวทมนตนราคาถาภายนอกซึ่งเป็นไสยศาสตร์ซึ่งเป็นเทเลชันนคาถามันก็ไม่ใช่พระสวสดิวันพระสวสดิวันเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคนตื่นข่าวไม่เชืาารร่อได้อย่างร่วงระเมิดศินห้าไม่เชืาารร่อไดอย่างร่วงระเมิดอบัยวุฒอบายวุฒทุกประเภทพระสวสดิบาลไม่มีในจิตใจของท่านท่านได้ดวงตาเห็นธรรมแล้ว ไม่สงสัยในพระพุทธธรรมประสงค์เลยเรื่องพรตัดวิชีคิดขาเนี่ยและไม่รูปคำในพระพุทธศาสนาอีกด้วยและเยอะยิงจองหองในพระพุทธศาสนาด้วยและไม่สําคัญว่าพระพุทธศาสนานี่เป็นคําสอนต่ําต้อยเหนือโลกแล้วเขยมทิศจะมีกีลราชก็ชื่อไปในทางที่เหนือโดยไม่รู้ตัวจำในคําสอนใดๆก็เป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวจำนั้นไม่พูดอีกก็จริงเอก ท่านมีความหมายอย่างนั้นเชื่อมแนทางลึกนั่งให้น้องคอามมึงบางต่างๆได้ลงสูม่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวจำได้คาสอนใดๆก็อะไรลงสูกับสอนนพุทธศาสราโดยไม่รู้ตัวจำไม่พูดอีกก็จริงอีกท่านเห็นดิ่งลงไปแล้วท่านก็ไม่เสียดายเรื่งเมื่อสิ่งไหนไม่เสียดายอย่างรื่องเมื่อสิ่งนั้นก็ไม่ได้ใจเพราะพระสวดารวันท่านไม่ได้รักษาศีลศีลรักษาท่านแล้วไม่ใช่กคเป็นโคปาและศีลรักษาศีลอยู่ เพราะเกง่งศีลจะนีเหมือนคนคุมนักโทษท่านไม่เสียดายอย่างร่วงระมือแล้วท่านจ ะ, ะ ร, รักษาทาไมเพรสิศีะลก็รักษาท่านความเห็นสัมมาทิฏฐิเบื้องต้นคือพระสวสดาบันสัมมาทิฏฐิเบื้องปลายคือพระอรหันต์สัมมาทิฏฐิเบื้องกลางคือสักราคามีนาคามีพระอรหัเรียนสัมมาทิฏฐิจบแล้วเรียนนโมจบแล้วนโมเบื้องต้นพระสสดาบมันนาโมแปลน้อมนอน้อมนอจนไม่ร่วงระมือแล้ว่นจะาไมเราศีล่น สมาอาชีวเรียองชีวิตชอบแล้วสมารครมันตูการงานก็ชอบแล้วไม่ค่าสัตว์ไม่รับทัพย์ไม่ประพฤติผิดในกรรมสมาคำมันตูพระโสดาบันเป็นท ร, นรัพย์โลกุตรักทรัพย์แล้วอริยทรัพย์เจ็มีในพระโสดาบันแล้วคือเป็นรวมกันเป็นอริยทรัพย์เจมีในพระโสดาบันอริยทรัพย์เจ็เป็นโลกุตรักทรัพ เมื่อพัฒนาวัตถุนิยมอุดมคติก็พัฒนาไปในตัวเมื่อไม่ร่วงแล้วเมื่อเียน่าก็เป็นวัตถุนิยมก็เป็นอุดมคติไปในตัวแล้วก็เป็นพัฒนาไปในตัวแล้วขั้งพุทธการพัฒนาวัตถุนิยมและอุดมคติไปในตัวเป็นส่วนมากไม่มีมากคําสอนพระพุทธศาสนาะที่มีมากก็พระปีนปลายคำสอนของพระ อ, องค์ก็มีมากสิ สับทั้งทรัพยันขนะอังเกอร์วระภัยตนางพระิชุตังความมจะาเรยังประกาศเสียสิบริวูทั้งอัตตะทั้งพยัญช น, นะเลยท้าเบื้องต้นคือพระสดวดธรรมทั้งเบื้องกลางสักคาคามีนาธรรมทั้งเบื้องท้ายคือพระนิหารเบื้องต้นคือศีลเบื้องกลางคือสมาธิเบื้องท้ายคือปัญญาเบื้องต้นคือทานเบื้องกลางคือศีลเบื้องท้ายคือปัญญาก็มีความหมายอันเดียว ตรเสีขยสขาของพระโชดาวันไตรเสียขาของศักทาขามีตรเสีกขาของพระอาาขามีตรเศีกขาของพระสารพระสารนเรียมไตรศสียขาจบแล้วมีม <Huh? S 1> ทั้งปริยัติปฏิบัติปฏิเวทมีทั้งศักธรรมสามทัศนานุตริยะเห็นเยี่ยมแล้วปฏิประธานุตริยะปฏิบัติเยี่ยมแล้วมีมุตานุตระยะก็คนเยี่ยมแล้วพระสารส่วนพระสวดดาวันเห็นเยี่ยมเป็นเอกเทศพ้นเป็นเอกเทศ บาปใหญ่กับยาบราคาโทรศัโมหยย์ใหญ่กับยาพระโสดาบันพ้นไปแล้วราคาโทรศที่จะพาให้พระโสดาบันไปนรกและสัตว์จริตฐานกระเปิดอสุรกายปิดประตูแ ล, แล้วแต่มนุษย์แล้วปิดดีนะไม่เสียดายอยากลวงละเมิดเลยพระเห็นชัดแล้วตัดความสงสัยแล้วุดพ้นเป็นเอกเทศไม่เสียดายอยากจะถอยหลังมาร่วมอีกเลยไม่ขับรตนกืคนอีกเลย มีแตเดินลุดหน้าไปสู่พระนิาพานไม่สงสัยว่าจะแวะซ้ายและขวาและไม่สงสัยจะถอยหลังด้วยอย่างมากก็เกิอดอีกแค่ชาติอย่างกลางก็เกิอดอีกสามชาติอย่างท้ายที่สุดเกิอดอย่างเร็วที่สุดเกิอดอีกชาติเดียวเช่นมารยาของพระบรมศาสดาของเราเป็นพระสดาบันเองกับพิ่ีเขาจะได้เกิอดอีกชาติเดียวก็ได้จะได้ไปเกิดในเมืองพาราณสี เมื่อพระรามเสียจะได้ชื่อว่าเมืองฟูตุมมาวัดดีจะได้ตัพสรุ่มไม้กากระถึงพระอริยเมตตาเพราะท่านปรารถนาเป็นมารดาของพระบรมศาสด า, า, ามาได้สี่พระองค์แล้วยังห้าพระองค์แต่มาได้พระสวสดาบาลกับพระโคดมเพราะท่านไปเกิดในช่านดูชิดแล้วช่านจึงได้พระสวสดาบาลทีหลังไม่ใช่ท่านได้แต่มนุษย์เนี่ยไปเกิดในที่นั้น เขาบเรามาศาสตาขึ้นไปเทศนาท่านก็ถึงพระโสดาวันพระโสดาวันชนิดนี้จะได้เกิดอีกชาติเดียวว่าจะไปเกิดเป็นมารดาของพระศรีอเมตตาแลนะ้วก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานเรียกว่าพระโสดาวันเอกคพิชีพระโสดาวันเบียพระอานุนไม่ใช่โสดาวันเอกคพิชีพระโสดาวันรอตําแหน่งที่จะเป็นพระหันในชาตินั้นเรียกว่าไม่อไม่ใช่เอกคาพิชีจอันนั้นบางท่านก็ฟังธรรมเทศนากันเดียวกัน ล่วนเถองสัตพาคามยนาคามยารานาหันเลยศาสนาอื่นๆอย่ามาเกยมาพาดกับพระพุทธศาสนาเลยเป็นโลคิยาศาสนาผู้ใ ด, ดเบียดเบียนพระพุทธศาสนาในทางตรงและทางอ้อมทางใกล้และทางไกลลึกและตื้นนั่นคือวิชาว้าน้ำลายขึ้นฟ้า ทั้งไตโลกธาตจะบ้วนน้ำลายเค้นฟ้ามันก็ไม่ถึงวิชากำปุนโตลมลมพัดตึงตึงตึงตึงมากาปุนโตลมลมพัดเข้าตาเข้าปากนิชาคว่างฟ้าพ้อนใส่ต้นเสาและเห็ดนดาควางไกลมันไม่ถึงควางใกลน้นักมวยเอกก็หลกไม่ทันรัฐธิใดก็ตามศาสนาใดๆก็ตาม ถ้าไม่เื่อมไสพระพุทธศาสนาเสียก่อนก็ปิดประตูพระโสดาบันเหมือนกันยกกระท้อรเช่นพระโมคคันลาสานิบุตรมาเลื่อมใสพระอาตชิและธรรมของพระอาตชิเสียก่อนจึงสามารถสําเร็จพระโสดาบันได้ออกจากสวนไัยนาตบุตรมานักที่อื่นๆก็ตามซักแต่ละจําพวกจะมาเลื่อมใสพระพุทธศาสนาเสียก่อนจึงจะสามารถสําเร็จพระโสดาบันไดถ้าไม่อย่างนั้นแล้วก็อย่าหาเลย เขายังไม่มีคิวเพรากรรมโมนาวัตติโรภูเป็นไปตามกรมของกรรั้งหายพวกเพียงเหลืออยู่ก็ปัตตะปนมะผู้มีบทเป็นอย่างยิ่งดอกบัวใต้น้ำก็เป็นศัพทาแห่งปาแลาเตว่าที่ว่ากรรมโมนาวัตติโรกูสําคัญมากพระพุทธศาสนาเป็นคําสอนอันเดียวกันพระพุทธศาสนาทุกทุกพระองค์มาสอนโลกแล้วทุกยุคทุกสมัย ข้าพพุทธพรมาจย์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าสร้างวารมีมาเพราะเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเรียกว่าพุทธญาติยาสามชงวาพุทธเพื่อเป็นประโยชน์เพื่อเป็นพระพุทธเจ้าช <źniej> ่งมาพุทธเพื่อสงเคราะห์ญาติเรียกว่ายาตตะจารยญช่งมาพุทธเพื่อเป็นประโยชน์แก่โลกเรียกว่าโลตตะจารยาแต่เมื่อบริบูรณ์เนี่ยก็ทำตามอันนั้นในพุทธญาติยาสามคำสอนโลก ไม่มีใครแกเหนือพระพุทธศาสนาเลยทําในโรคบาลคุ้มครองโลกสองอย่างความละอายต่อบาปเท่านั้นความกลัวต่อบาปเท่านั้นจะคุ้คมครองลงได้ถ้าไม่มียางอายต่อบาปไม่มีความกลัวต่อบาปแล้วคดหมายคดหมู่คดพักคดพวกคดจ้างไม่อยู่หมู่ของคำก็ไม่นำำําคําเองก็หมดที่เพิ้นซื่งเองอาศัยทําทความชั่วในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับนะถ้ามันล่วงละเมิดข้อสองข้อนันแหละมันก็มาล่วงละเมิดสินหใช่ไหมถ้าชาวโลก มีอายุประมาณเจ็ดปีรูดยางสาแล้วเล่นไมแต่บ้าบ้าเสียจิตคิดมนุษย์มันเป็นบ้ามาแต่กำเนิดกาเนิดของมันมันก็เหลือวิสัยอันนั้นส่วนที่ไม่เป็นบ้ามีเสี้ยนห้าบริบูรณ์ทุกๆ ท, ท่านดูดูตำรวจก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีเรือนจำก็ไม่ต้องมีโซตรวนก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้า นั่นนั่นนั่นนันคำสอนพระพุทธศาสนาะพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็มาสอนคำเดียวกันไม่ได้รบลราชพ่อระบอกันเลยแต่พวกเราตั้งข้หมายคนหมูข้อท่าก้พวกเข้าข้างตัวมันพอแล้วไม่เป็นอีพ่ออีแม่เอ้ยนั่นนั่นมันไม่ใช่ประชญ์ที่ปไตยมันเป็นประชาชนที่ฝันเงิน <c oughs> ถูกไหมก <c oughs> <c oughs> ูมีเงินมากกูกก็ได้พักมากเท่านั้นใช่ไหมนั่นพระพุทธศาสนาะไม่ได้เป็นอย่างนั้น เออพระพระพรระพเอ้ยว่าเป็นรอดว่าเป็นศสาสนาด้วยว่าเป็นศาสนาไม่ทันสมัยแต่พวกเราไม่ทันพระพุทธศาสนาพบพระพุทธศาสนาไม่เตะหาว่าพระพุทธศาสนาแต่ต้อยไม่ทันสมัยเขาไอ้ที่แค่เราไม่ทันพระพุทธศาสนาเออเนี่มั้ย ภาวนาจนตลอดรุ่งตลอดค่ำก็ตามถ้าเฉยได้อยากร่วมลเมืชิ้นห้าและอบายยังมุกอยู่มันก็ไม่ใช่สุ่วปฏิพันโนเมื่อไม่ใช่ชุ่ธปฏิพันโนแล้วก็เป็นที่พึ่งของตนไม่ได้ก็ยังไม่รู้จากคนทางเดินนะยังละสักยะกทิติความเห็นเป็นเหตุถือตนถือตัวในรพุทธศาสนา วิจิจิตฉาความลังเลสงสัยในพุทธศาสนาสีลรพัตปรามาตก็รวบคำพระพุทธศาสนาเ พ, พราะครบศาสนาไม่แตกไม่ต้องพูดไปอื่นฉะจาพิฐานานิอภพูกาตุนที่ทเพสั้งเกลตระนังปณิตังเอิเตสัจเจนสุวัติุพระโสดาบันท่านไม่ซื้อศาสนาอื่นสูตรนี้เป็นสูตรพระโสดาบันกายเยนวายายุตังเกตสาวะ ก็สำค่างก็สูตรพระสวดธรรมทําผิดด้วยกายด้วยวาจารด้วยใจแลนะไม่ปกปิดอาบัติของตนภูมิของพระสวดธรรมสักยะเท็จถี่วิจิจิตราชีและพัตตะระมากก็มีในรัตนะสูตรนี่สูตรพระสวดธรรมท่านไม่สงสัยชาจาพิสานานี้อภัพโฟกาตุงที่ทําผิดสั้งเทและกระนังปณิยตัเอเตนัสติสวดีวัตุกถึงอย่างนั้นท่านก็ไม่ยอมถือสาคนาดอื่ ชาจ่าแปลว่าอย่งไรชาแปลว่าหกพระชาจ่จาพิษานานี้พิษฐานทนอย่างหนักหกมาดูคา่ า, าคา่ามัด า, ข า, ข า, า, า, ททาพิทุค่าคาวีราอรหัตะค่าค่าพระรหันต์โลหิตตบฏทํำลายพระเจ้าถึงยอมบุญโหิตแห่งห้องขึ้นไปสังกเทศย่างสมสัยแต่จากกันอัญญจัตตุเทศไม่ถือศาสตาอื่นเพิ่มอีกหกข้อเราเคยได้ยินแต่อนันตเดียคำห้าทีนี้ท่านเพิ่มเข้าอีกเป็นอนันตเดียรรมำหกถ้าไม่ บรรลุพระส ว, วัสดบาลแล้วก็ไม่สามารถจะพ้นทุกในปัจจุบันในชาติได้นะมีถุนสังโกโลกเหมือนกันบแต่พอเป็นนิสัยอยู่แต่ไม่สามารถจะพ้นทุกไปในปัจจุบันในชาติได้ขนะ้าจากที่พิฐานา น, นี้ัปปะมีธัรมปีตังเทยรถถัสนางพริจังอยู่ในสติอารมณ์โยตุส่วนพระพิคุสขอ์มันข้ามมากถ้าทําให้มันข้ามถ้ามาทำไม่ให้มันข้ามมันก็ไม่ข้าม ถ้าปฏิบัติเพื่อคนทุกข์นะว่าตสงสารปัญหามีน้อยไม่มีมากที่มีมากก็เรามีความปราชนามากในโลก ถ้าเห็นชัดว่าใดๆในโลกลวนอันจิงยังใดๆในโลกลวนทุกขังใดๆโรกลวนอนัตตาแล้วสงสัยเลยนะทั้งอดีตทั้งอนาคตทั้งปัจจุบันเนี่ยทำอันนี้เป็นศีลสมาธิปัญญาชั้นนี้เป็นศีลชั้นสูงเมื่อได้เห็นธรรมทั้งหลายไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาเมื่อนั้นยอดนายในทุกนั้นเละทางในวิสุทธิเป็นศีลวิสุทธิเป็นสมาธิวิสุทธิเป็นปัญญาวิสุทธิกลมกลืนกันอยู่ปัจจุบัน ปัจจุบันนั้นจะอยู่ทำไมปัจจุบันพระสวัสดิบาลปัจจุบันสัคขาคามีปัจจุบันพระอนาคามีปัจจุบันพระอรหันต์ปัจจุบันพระปัจเจกปัจจุบันพระสมมาทัพุทธเจ้าจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีคุณค่าต่างกันผู้รู้พระสวสดิบาลผู้รู้สัคาคามีผู้รู้พระอนาคามีผู้รู้พระอรหันต์ผู้รู้พระปัจเจกผู้รู้พระสมมาทัพุทธเจ้าในปัจจุบันจะเอามาเทียบกันไม่ได้เพราะมีกําลังต่างกัน เหมือนชาติกัมราชสีมีกําลังในปัจจุบันจะเอามาเทียบกันไม่ได้บางคนก็พูดว่าพูดโทพูดโทแไปผู้ลูกแต่ไม่อธิบายผู้ลูกออกผู้ฟังก็ไม่สนิทผู้ลูกพระสมัยพระพุทธเจ้าผู้ลูกพระเสธผู้รูกพระอราตาชีนาสุผู้ลูกพระอนาคามีผู้รูกสักขะตาขามีผู้ลูกพระสัตว์ธรจะเอามาเทียบกันมันก็ไม่ได้ปัจจุบันก็เหมือนกัน ก็ม่ยิ่งหล่อนกว่ากันจะตีเสมอกันไม่ได้ที่ยืนยันว่าพระบรมศมาสด า, าตัดสรูแล้วอยู่อัธวานี่โคตรก็ดีราชาัตระก็ดีมยมหพโพูดก็ดีแห่งละเกตวันเกตวันเป็นสี่สิบเก้าวันนั้นเกตั ธ, ธกถาอาจารย์ถูกให้เข้าใจความสมมุติเฉย แต่พระบรมศาสตาสําคัญตัวว่าสวยอะไรครก็ไม่รู้ได้เป็นเพียงที่สมมุติใหูุ้ความหมายกันเป็นบุคลาคิธานแต่ชั้นเข้านี้โลดสมาบัติก็ไม่สําคัญตัวว่าอยู่ในที่ใดด้วยชั้นนิมมิตที่สุดพ้นไปจากที่เด่นแล้วชั้นนี้โลดสมาบัติจะเอามาเทียบ พระอรหันต์ที่พ้นแล้วมันก็ไม่ถูกมีรสสมาบัติมันเป็นสมาบัติอย่างได้อย่างหนึ่งพระอนาคามีก็เข้าได้พระอนาคามีเทวิตโถฉละเพนโดปิสัมตปตปูก็เข้าไม่ได้แต่พระอนาคามีที่เป็นสุขยุพัตโกพระอรหันต์สุขยุพัตโกท่านก็ไม่เกี่ยวมีปัญหาสอดเข้ามาว่าพระอรหันต์สุขยิพัตโกในลึศชาติได้ไหมใช่ครับผมตอบผมก็บอกว่าท่านในลึศชาติได้ในชาติประวัติ พระกอรพระกอข้าก่อนท่านเป็นยังไงคำวมาชาติเราเป็นทุกข์ครับผมไม่พอใจจะพิจนารณาจะเกิดเป็นอะไรก็เป็นทุกข์จัดว่าเ้าตอบผิดมันก็ไม่ถูกเพราะเขาตอบทางธรมรมะท่านนับเม็ดหินเว็บไซต์ได้หรือไม่ก็กผมก็นับในทางธรมรมะได้ครับคือนับยังไง แต่เราเป็นพุทชนคนหนาอยู่เราก็รับได้แล้วเนี่ยมัตยเมติณเมตาเนี่ ย, ยต้อมหาสมุทรทับฝ่ายทั้งข้าหูอะสังขห์หูแปลว่าไม่สงเคราะห์สิงไหนที่เป็นลักษณะแข็งแขงท่านนั้นเป็นปฐวีธาตุปฐวีธาตุนั่นที่เป็นภายในหรือภายนอกก็ดีสิงไหนที่เป็นของเหลวสิงนั้นจับเป็นธาตุน้ำสิงไหนที่เป็นของพัดไปมาสิงนั้นจับเป็นธาตุลม สิ่งไหนที่ร้อนเสิ่งนั้นจะเป็นธาตุไฟหรืออบอุน่นทีนี่ถ้าถามผมเยอะเนี่ยผมก็ไม่คาผมมีกิเลสมากก่าแผ่นดินแผ่นฟ้าผมก็ตอบได้เหมือนกันนับธาตุดินดูหรือเ ม, ม็ดถินเม็ดทรายจเท่ามหาสมุทรเอกภพทวธาตุคือหนึ่งดิน ผมย่นลงมาหนึ่งซักท่านน้ำน้ดูซิน้ำหาส ม, มุดจะมีกี่เม็ดหรือฝนตกอยู่ที่ไหนที่ไหนมีกี่เม็ดเอกับโวท่าคือ1นึํง น, นับลงดูซิทัดไปมาตลอดร่วมพระจ้เข้าออกอยู่ที่ไหนนับดูซิเอกับวายทานับเม็ดไฟดูซิความอบอุ่นมีกี่เม็ดมีกี่อสวงไข่ะเอกั เตโชธาถ้าจะไปนับหนึ่งสองสามกี่วันมันจึงจะได้อสงขัยผู้นับก็ผีบา้าผู้เป็นกรรมการก็ผีบ้าพระภาษีบุตรก็คงนับอย่างนั้นถ้ายนับสังขโหถ้าอย่างนั้นสังขโ ห, ขหมีไว้ทำไมสมเกลลงมาเอกานิว่ตก็มีแตกชีควักหรือเอกวักไม่มีหรือก็มีแต่มัชิมวักหรือ เอกวัชไม่มีหรอกหรือย่นลงมาเป็นหนึ่งก็เอกวัชแพ้ใจไปหรอกก็ใจก็แปลว่าสามใจวายใจใจเป็นใจไปหรอกเหมือนกันว่าเป็นกิการิมาถ้าเป็นสี่ก็ธานถ้าว่าเป็นสีกนส่ก็ธาตุสี่ดินน้าไฟลมหรืออริยสัจสี่ใจไปหรอกถ้าเป็นห้าก็ขันห้าขยายออกถา 6, ก้าหัว ก, ก, ก็ตายหัวจงเวียนกายใจขยายออกก็ใจไปรอกใจเคลื่อขาใตเคลื่อขาอย่างย่อ ใจซื้อขายอย่างพิษระย่อก็ย่อเข้ามาหาใจยาวก็ยา ว, ยาวออกไปจากไใจใช่ไหมมโนภูพังเข้ามาถมามโนเสียช้ามโนยาทําอันนี้มาจากคำเพรีร์ไหนก็ตอบว่ามาจากมโนภูพังเชื่อก็มาจากใจดีก็มาจากใจมรรคเนี่ยพานก็ไปจากใจก็ย่อลงมาหาเอจกันได้วา่าพระพุทธศาสนาเป็นเชือกใหญ่โตโหถานถ้าต้องการขึงไปก็ขึงไปยาวเหยียด ทั่วทั้งใจโลกกับธาตุถ้ายน่นลงมาก็ยน่นลงมาหาใจใจดวงเดียวถึงไปยาวเหยียบทั่วทั้งไใจโลกกธาตุได้ไจปจักรวาลย่ น, ยนลงมาก็หาเอกกิจเอกใจถ้าว่าเป็นหกก็ชักกะเนบาต ก, ก็ตาหูจมูกเรื่กายใจตาหูจมูกเรื่องกายใจก็ยน่นลงเป็นสองตาหูจมูกเรื่องกายยน่นแนวลงมาเป็นลูกขันลูกประธรรมลูกประธาลูกประโลกก็ว่า รูปกระทำรูปกรโลกรูปก็ว่ารูปสังขารก็ว่าใจก็ย่นออกมาเป็นนามขาันขันห hmm ้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตรูปก็เป็นรูปตามเนิงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาตก็เป็นนามก็มีแต่รูปกรรมนามเท่านั้นพระพุทธศาสนาสอนอยู่ถ้าสัพย์ทั้งหลายไม่หลงรูปหลงนามว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลสัตว์ทั้งหลายก็ข้ามทะเลหลงไปแล้วมีน้ําำซ้ำย่นออมาอันเดียวกันซ้ำที่นี่ย อดีตคืออะไรอดีตคือขันห้าที่ล่วงไปแล้วอนาคตคือขันห้าที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือขันห้าที่กําลังเป็นอยู่พูดเป็นห้าพูดเป็นสามพูดเป็นสีอดีตคืออะไรคือธาตุสี่ดินน้าไฟลมที่ล่วงไปแล้วอนาคตคืออะไรคือธาตุสี่ดินน้าไฟลมที่ยังไม่มาถึงปัจจุบันคือธาตุสี่ดินน้ำไฟลมที่กำลังเป็นอยู่ อดีตคืออะไรคืออนิธานคือนิทานของปัจจุบันอนาคตคืออะไรคืออนิทานของปัจจุบันที่ยังไม่มาถึงเพราะปัจจุบันเป็นผู้ไปมุ่งอนาคตใครไปมุ่งอดีตก็คือผู้ปัจจุบันนั่นเองไอ้ท่แท้ผู้ปัจจุบันไม่หดตัวมาดูตัวก็เข้าใจว่าอดีตอนาคตเป็นคนละเงือนไอ้ที่แท้ขอผู้ปัจจุบันไปสมุติมาใช่นะอดีตอนาคตก็เหมือนกันพระองค์หนึ่งก็เหมือนกันพอพอเห็นกันคูว่าคูว่าพ้นชาคีเดตไปแล้วหรือยัง บวชป้องกันหน้าเราอยู่นาทางขวาแกอยู่หน้าทางซ้ายเราไม่ออกเื้อเรือลำเดียวเนี่ยท่านตายไปแล้วผมยังไม่ค้นครับเออผมมันพ้นแล้วครับมาพูดท่านอาจารย์ชวนก็นั่งฟังอยู่ด้วยกันอาจารย์ชวนหัวละสองตาเท่าจะทะเลาะจะจะทมธรรมะกันละท่านอาจารย์ชวนนั่งหัวเราอยู่ ผมพ้นแล้วครับเออพ้นแล้วอธิบายผมฟังสิอดีตผมเบื่อแล้วครับอนาคตผมก็เบื่อแล้วครับผมมาอยู่ปัจจุบันเดี๋ยวนี้ผมไปกาบพูนลบปูเขาวลงปูเ ข, ขาวก็กให้คะแนนผมว่าถูกอยูก่ก็ไม่ว่าจะลงปูเขาเดี๋ยวนี้ผมให้คะแนนว่าท่านถูกอยู่ มไม่เข้าใจว่าท่านท่านพิจารณาปิดอดีตผมเบื่อแล้วอนาคตผมก็เบื่อแล้วผมมาอยู่ปัจจุบันท่านมาอยู่ปัจจุบันเดียวนี่ท่าน ม, มีอารมณ์ฟุ้งในอดีตอนาคตท่านก็มีปีติในปัจจุบันแต่ท่านก็สําคัญว่าท่านพ้นแล้วแต่ไม่ใช่พ้นเออเพราะปัจจุบันกับปัจจุบั น, นังสยโยธรรมะปัจจุบันนันจะโยธรรมะ เพื่ออะไเห็นทำในปัจจุบันท่านแม่ ง, งอง้อนแง่งคอนแขลนในความวัดปฏิบัติของท่านท่านรวมไตริกขาคือศีลสมาธิปัญญามาอยู่ในปัจจุบันเนี่ยท่านก็เพ่งอยู่ในปัจจุบันเดียวนี่ท่านขี้เกียจอดีขี้เกียจอนาคตแต่ท่านมีปีติอยู่ในปัจจุบันแต่ท่านยังไม่พ้นท่อยานสมบุกของท่านว่าพ้นแล้วยังไม่มีเอ้าผมจะอธิบายให้ท่านฟังผมยังไม่พ้นพระหัต์ผีว่าอะไรจะมาเข้าปัจจุบันอยู่ผมว่าอย่างนี้ส ถ้ า, าร ال พระนารหันมาข้อปัจจุบันอยู่พระนหันก็เป็นทุกข์ตายเพราะเกรงว่านักโทษจะรักหนีหรือเกรงว่านักโทษจะทําอันตรายแก่ตนด้วยเขามาเฝ้าปัจจุบันอยู่เป็นเปรตเฝ้าปัจจุบันพระนารหันได้ติดอยู่ในอดีตอนาคตปัจจุบันทั้งนั้นอดีตก็รพูดตามไปจริงของอดีตอนาคตก็รู้ตามไปจริงของอนาคตปัจจุบันเขาพูดตามไปจริงของปัจจุบันพระนรหันไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสามเหมือนอยางนกบินในอากาศไม่มีเราบินหมดวันก็ไม่มีเรอเหมือนเชื้อน้ําเชื้อวดวันก็ไม่มีเรา นึกคิดวัดวันก็ไม่มีอุปทานอยู่ในที่นั่นพูดวัดวันก็ไม่มีอุปทานอยู่ในที่นั่นแกเขเก่าหัวทีเชี่ยเขาหัเอ้าผมจะอธิบายท่านฟังดิผมยังไม่พ้นผมมีกี่เท่าแผ่นฟ้าแผ่นดินท่านเดินมรรคถูกแล้วไม่ว่าจะล็อปูขาวผมก็ให้คะแนนท่านว่าท่านเดินมรรคถูกท่านเอาศีลสมาธิปัญญารวมในพลในปัจจุบันในเป้าอันเดียวที่เพ่งอูท่านไม่สงสัยว่าศีลอยู่ที่อื่นสมาธิอยู่ที่อื่นปัญญาอยู่ที่อื่น ท่านเห็นชัดอยู่ในนี้นะศีลตัิศีลลงในปัจจุบันสมาธิตั้งมั่นลงในปัจจุบันปัญญาท่านรับรู้ในปัจจุบันแต่ท่านยังไม่พ้นอ๋อนี่ด้านนี้เป็นหางปลาด้านนี้เป็นหัวปลาอนาคตด้านหางเป็นอดีตด้านหัวเป็นอนาคตด้านตลาเป็นปัจจุบันแต่ท่านไม่มากินหัวมัน หากท่านก็ไม่กินถ้ามากินที่ตรงปุงของมันเพราะมันอร่อยท่านจะปฏิเสธว่าท่านไม่กินปลาตัวนั้นท่านฉลาดแจมโกงใช่ไหมคาร่าแก่เราหัวที่นี่เราลู้ปัจจุบันตามปัจจุบันเรารู้อดีตตามอาดีตเราลู้อนาคตตามอนุษย์อนาคตรเราไม่ติดอยู่ในเงื่อนทั้งสาม อุกปะทานของเราไม่มีเป็นสัตว์สัว์รู้เป็นสัตว์ว่าเห็นเราไม่ยึดถือผู้รู้ผู้เห็นว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตว์เป็นบุคคลเราข้ามผู้รู้ไปแล้วไม่มีที่หมายเสียแล้วทุนนิยตาวิมุกอันนี้เป็นตาวิมุกอนปนีิหิตตวิมุกว้างไปหมดแล้วเพราะไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลยึดถือเอาเป็นเจ้าของมินยาปฏิสติของเราก็ไม่มีนี่ท่านพระบรมศาสราพูดอย่างนั้นแต่ท่านยังมาเป็นเปรตในปัจจุบันอยู่ท่านจะอวดอ้างว่าท่านเป็นพระหรหันผมก็ไม่ยอมให้ท่านท่านยังปฏิบัติ ยังไม่มียานทรัพยุทธ์ว่าเบื่อนายอีกเซ็ดด้วยท่านจะพ่นไปด้วยวิธีไหนล่ะเราพูดทางนี้นี่เจหาหัวที่ท่นนจจานท่านจะจั่วขหัวหรอที่นี่พระกรรมฐานมันเล่นกันถึงขนาดนั้นท่านยังไม่พ่นท่านทํากัรตัวเฉยท่านทํากัรตัวท่านพ่นท่านก็ไม่เป็นอาบัตเพราะิตขาบรถข้อนี้ตนวไม่พ้นก็เข้าใจว่าตัวไม่พ้นท่านก็มาอวดอันนั้นจึงเป็นปราชิตท่านไม่เป็นปราชิตอย่างนี้ท่านเป็นมิปัจฉิมเฉยเราพูดทางนี้ที่นี่ ก็เลยเข่างงหัวเต้นีนั่นคําสอนพูดภาษาคนาลึกซึ่งขนาดใหนละ่ะทีนี้บางท่านก็บอกว่าหลวงปู่หลวงปู่หลวงปู่นี่นนฉันภาวน า, าจิตไม่ว่าจะทํายังไงหลวงปู่เออถ้าสําคัญว่าจิตเป็นตนตนเป็นจิตจิตก็ไม่ว่าถ้าไม่สําคัญจิตว่าเป็นตนตนเป็นจิ ต, ต, ตหรือตนมีในจิตจิตมีในตนเพราะไม่มีอุปทานในจิตในผู้รู้ คิด ก, ก็ว่าพผู้รู้ก็ว่าวิญญาณปฏิสินทิ่ก็ไม่ไปจับอยู่ที่ทีนั้นมาณทิฏฐิก็ไม่มีในที่นั้นไม่สําคัญตัวอยู่ในที่ดใดๆทั้งสิ้นถ้าอย่างนั้นก็ศูนย์ช่ก็ไม่สําคัญว่าตัวอยู่ในศูนย์ไม่สําคัญศูนย์อยู่ในตัวอีกด้วยต้องทํากิริยาให้ว่ามันไม่ถูกเมื่อรู้เท่าทันแล้วมันไม่ต้องทํากิริยาให้ว่าเช่นเรารับตาอย่างนี้เราลืมขึ้นมันเห็นอย่างนี้เราไม่ทํากิริยาให้มันเห็น เพเหตุผลมาอยู่ห่างกันพเก้าพระนิพานอยู่เนื้อเหตุเนื้อผลไปแล้วทรงเนื้อเหตุเนี้อผลไปแล้วเพราไม่มีใครเป็นเจ้าของเหตุไม่มีใครเป็นเจ้าของผลเพราะไม่ไม่ไม่ได้สร้างเหตุเพื่อเอาผลเพราะผลมันมาจากเหตุเมื่อสร้างเหตุตรงแล้วเมื่อยึดถือเหตุแล้วผลมันมันก็ยึดถืออยู่ไปอยู่ในตัวเหตุนั่งผลก็นั่งเหตุพูดผลก็พู ด, พดเหตุ HAVE เข้าใจผลก็เข้าใจ เหตุไม่เข้าใจผลก็ไม่เข้าใจเหตุก็ผลมาอยู่ห่างกันพอเก้าจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวไม่เป็นปัญหาจะหลงสร้างเหตุผลก็มาหลงสร้างเหตุก็โสงหลงได้รับผลเหมือนกันถ้ารู้ตัวในสร้างเหตุก็รู้ตัวในผลเหมือนกันส่วนท่านผู้พ้นไปแล้วแบบบาปท่านก็ละพอแล้วบุญท่านก็สร้างพอแล้วไม่มีการจะสร้างบาปสร้างบุญอีกอ น, นั่นท่านเหนือเหตุเหนือผลไปแล้วแต่พวกเรา ยังไม่ท่านพอเป็นเศรษฐีมีเงินสองสามตังก็สมัครเป็นเศรษฐีมันก็ใช่ไม่ได้เราพูดอย่างนี้ทีนี้จะสําคัญว่าตนอยู่เหนือเหตุเนีืยผลก็ไม่ได้เพราไปแต่งเอาถ้าบาปก็บาปก็เว้นยังไม่พอบุญก็สร้างยังไม่พอจะทําตัวให้อยู่เหนือเหตุเหี่ยผลก็ไม่ได้มีเงินสองสามตังจะทําให้จะทําตัวเป็นเศรษฐีมันก็ไม่ถูกมันไม่พอใช่เราพูดอย่างนี้ทีนี้ นักสนใจในพระพุทธศาสนาสนใจในคําสอนของพุทธศาสนาชนะความสนใจทั้งปวงรัฐบาลเพื่อพนทุกน่ะว่าถ้าสงสารปัญหาอ ม, มากเห็นอนิจจังคณะยึดหนึ่งก็เห็นโลกรอบหนึ่งแล้วเพราะโลกจะไม่ได้ออนิจจังถ้าไม่อย่างนั้นก็เรียกว่าเห็นอนิจจังตามสัญญาความจําเฉยๆไม่เป็นปัจจคัสิทธิ เห็นทุกคะเจ็ดหนึ่งกูเห้นโลรอบหนึ่งแล้วถ้าทุกกิเลสไม่มีก็ทุกประจําทางกายก็ต้องมีอยู่ตายเยอะกระทุกทุกทางกายเกิดแก่เก็บตายเนิยวหยาหนาวร้อนเป็นทุกประจํากายเป็นเนื้พัที่ทุกทุกเนื้องนี้ส่วนทุกกิเลสท่านพ้นไปแล้วพรส่วนทุกกายท่านรู้ตามเป็นจริงปฏิบัติตามเป็นจริงรู้พ้นตามเป็นจริงเมื่อไปยึดถือว่ากายเป็นตนตนเป็นกายความทุกข์อันอันพอ เป็นโมฆะไปในตัวปัจจัยวัดพ้นทุกข์กคืออะไรก็คือพ้นจากความหลงของตนนั่นเอ ง, เ, องเมื่อความความชันาแก่กล้ามาแล้วความหลงก็ตั้งอยู่ไม่ได้เมื่อสว่างแก่กล้ามาแล้วมืดก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าความขยันแก่กล้ามาแล้วความขี้เกียจก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ทำไมเราจึงอาบนา้าเพราะร่างกายมันสงบพอได้เข้าสังคมได้หรือพอให้เจ้าของอยู่ได้ก็ไม่ว่าแต่เข้าสังคมถ้าไม่อาบนา้าเจ้าของก็อยู่ไม่ไหวไม่สะอาดเหมือนกันทําไมจึงปฏิบัติสินทางเพราะจิตใจมันสงบไม่มีสิ่งที่จะปจิบัติมันถ้าโรคโกรธหลวงมีอยู่การปฏิบัติเพื่อพ้นจากโรคจากโกรธจากหลวงก็ปฏิเสธไม่ได้ ท่า่างกายจัระปบูการปฏิบัติถ้าหายเข้าไปพาไปตัดเทาสามารถท่านบ่าวบารดลบมากต้องเก็บงานแฝงงานบางงานนี่แต่งานแบบไงบัตรที่ซ้ำมากงานแบบไงที่ทุดงานเขาขาดบาดตายบ้านงานพระบรมราชาสร้างหายหน้าแผลประดิษฐ์จะเจริญไทยสวมาเอาเข้าไปพาไปตัดเขาจะแก้ไปไหนลดหม้ สุดขอรอก็เลยเลไ่ได้ไปบ่ก็เลยไปนี่จนมาสุดขอรอข้าวที่เนเขาเอาห่อไปหอดผลลโรงพยาบาลซมิตตเวต เ, เขามาตัวห่อไปจะเอาหลวงพ่อไปพาไปตัดในโรงพยาบาลที่นี่ซิมิเตเวตอะไรทำ เ, เออขอบพระคุณอยู่ักาว่ า, า, าผาแล้วห้ยแล้ว เขเจตนาดีแต่ว่าได้สมาทานไว้แล้วว่าจะไม่ผ่าไม่ตัดแล้วจะไม่นอนกลางคืนในโรงพยาบาใลใดๆถ้าหากว่าล้มปูไปผ่าไปตัดในโรงพยาบาลดำดินมาล้มปูกพรมันมีประโยชน์ประตูที่จะอยู่เพราะเสืีอความสัตย์ของคนการตั้งความสัตย์ที่ควรรักษาคือความสัตย์ที่ไม่คัดต่อทำอะไรก็รักษาตั้งความสัตย์ว่าจะไปกระโดดเหวตายอันนั้นก็ผิกเสียมันไม่เป็นประโยชน์วะยังไงสูกนะว่เมื่อไหร่ เขาขอรอกขรอผมไปปุ kids, ่นหอดร่งพยาบาลสมิทเทเว้วก็ไปเขาบอกว่าจะให้หลงพ่อไปเช็ครคกดูพราลวงพ่อเก่งใจมนุษย์หลวงปู่เก็งใจมนุษย์มนุษย์เขาเอายาอะไรมาให้กว่าฉันกับกับๆับไปนะหลวงปู่ถ้าไปเราก็ไม่ยากหรือไปเครื่องไปขึ้นงเครื่องเดิน บว น, น, นกระปืเวลากลับมาก็จะซื้อรถไฟตู้นอนให้อถ้าอย่างนั้นก็กไปไปไปอย่างนี้เขาดึงข้อเขาโรงพยาบาลสมิติเวชนะไปเขาเชียวเขียนเอ็นคำว่าเชียร์ไฮตัตเลยเขาสูเข้าเอาไปอธิบายไปสู่เข้าไปก็เลยเอาเรื่องหลอกเข้าไปก็เลยกลับึ้นมาเยู่มากยู่มากคุณหมออดมมว่าอีกท่านอาจารย์ไปันมากด้วย สู่ก็ขึ้นหัวอุดมอย่างไไนีะสู่เข้าอะไรกเลยไปทหัวงอแงซึงมนเรื่องเกี่าวกับท่เอาไปพาปาระเทศเดี๋ยเข้ามาไ ป, ไปเออเข้ากับว่าผ่าแล้วหาแล้วส่วนครูบาอาจารย์ยกอะไบนเก้าบนก้ะหม่อมท่านไปที่ไหนท่านก็ทำประโยชน์ใที่นัน้แต่เราไปที่ไหนไม่กวนดับที่นั้น เพรุนสมบัติของตนไม่มีจำเป็นเขาต้องซ่อนตัวอยู่ตามประษาสารไก่สวนสารจะสีเขดีดำเขดีแดงให้โลกในสารไผ่นอนว่าเป็นปัญหาใดเดี๋วนี้ผลนข้องกรรมคนเจ้าสิตัวเก่งมันให้กะสร้างทาไมขยันกระไรโจกระไรพวกอายการก็ได้เจ้าเฮ็ดถือว่าถือว่าเป็นปัญหานดเดี๋วนี้เจ้าเฮ็ดถือพ้ของกรรมทั้งถือก็สชงให้เจ้าเจ้าเฮ็ดว่าถือผลนของกรรมก็ะชงให้เจ้าคือกันไม่ว่าโจดไม่ว่าจำเลยนะมัน อันนี้คหอกัน่ะเขาเกิดมาในวัฏองสารานะ่เขาท่านดีตอนไหนตอนดีอันไหนกับ่งแห่เขาเขาทั้งชั่วตอนไหนตอนชั่วอันไหนกับทรงแหเ่เข้าเข้าชิรหลุตัวว่าหลุดตัวเ่าเป็นปัญหาเนี่ยผู้เสียกรรมและคนของกรรมก็คือผู้ถึ ง, ถ ง, ง, งนนพระพุทธธรรมประสงค์ อ, อันไหนพระพุทธเจ้าเข้าสร้างสอนไว้เข้าปกติฝืนอันพระพุทธเจ้าเข้าได้ผ่านอุปสรรคา ม, มาหมดแล้วจ้างสามารถสอนมโหเขา้า มนุษย์สมบัติก็เวรอบายยมุกแนะ่ยขันโาเวนอบายยมุกก็เป็นมนุษย์ไบัตรอันมนุษย์ไบัตรจะแท่นะฮออกมาเป็นมนุษย์สมบัติมันเสียทรัพย์เสียสินเต็มโลกธาตุโยเสมอเนะี่ยท่านพระเป็นทางพรทางพรเมียเสียอันฟอกเรียนอบายยมุกกะนะันนั่นไมใช่สู่คาสอนพระพุทธเจ้าได้ด้วยใจโลกธาตุแน่ผลว่าจีภายมู่ฮ่าวผว่าไป ถ้าเิ่นกินเรล้าเม้ายาก็าดีนะเล่นหญิงนกเล่นสุลาเนี่ยเนี่อกันพนังก็ดีใจถึงทางทั้งตัวมันจะรับผลตามส่วนมันทั้งตัวใจถึงในทังดีมันกะรับผลทังดีที่ว่าเอาฟูได้มากาดมาโดย บ, บ๊อ บ, บบบสอบทาำในหันได้ทาไดหัน ไ, ไปได้ําไดแ ต, แต่กรเจิงกันแหลไม่รอด น, นั่นเพาะ ก, ก่านําสนองเดินให้ก็เสียให้เลยหน้าก็เสียหน้ า, าแล้วดูวมึงดู ชมือนี่ที่ดิมันไปไซม์วัดอย่างนี้มันรุดที่รุดมือมอเาไปเพราะเห็นได้ก็เพราะอบายมุกแ ม, น, ม น, พพบ น, บนบ่ น, บ น, นะเพราะกพระผาบบัตรบือให้เกษียให้หน้าเสียหน้นนนากกนเ่เขาพูได้เร่เ่เียงพระพุทธเจ้ามยัเว้นขึ้นเวยพระพุทธเจ้าว่าี้ายกวจะเลว่ายงไัแม่นบ่เถี่ยวพระพุทธเจ้าผมยังเว้นขึ้ น, นเถียงไปเถี่ยวมาให้ก็ไม่หน้าเขาม่แข็งแขนเขไม่แของขาเขา่พอ เพราะเมียันหมัดอดหลอดแม่นรอเพราได้เรขๆรู้ๆละปฏิตายแล้ว่ามี่เงินห่าละมึเงินซือกาแฟผ่าละเงินซื้อตะคูปตีโรคก่บว่มี่ละรอมึงนะบอมันเอามาพ่อพ่อมันเก่าเงอนเก่เาสร้างเขาได้ของอเอเขาเห็นลูกเหนหลานเขาทั้งอุ ด, ดพแห้งละหาเงินจะไปตลาดก็บว่มี่เลยมันเอามาพ่อพ่อมูมูฮ่าละพูดได เรื่องล็ก่องาเรงบ้านอเบายเก็ลากันไหไปทาวัดมันซะเลกเอ้ยผู้ข่าีะทาวัดใตหนี้ต้อไปผู้ขาจีบเรียมา่นเนาะแล้วก็ทําัดพระองค์เจ้าอีก้ยอีพอีคอยปีนคําสอนเจ้าอ่ะยอดสามมาแล้วมีมากม่เจ้าคุณักสจะพบมาสอนผู้คอยพวกผู้คอยมันดื้อันคอยขอทาวัดอีพอเอ้ยอีพอพูดอีพอทำอีพอสงใต้ห้อไปชเก็ดหลับวน ผู้ถึงพระโสดาวันมัสเชดายอยากลวงระเมิดชินหามัสเชดายอยากซื้ออาบอยากลวงเอาวัยมกกมัสเชดายอยากซื้อยู่ยงคงกับพันมเสียดายอยากซื้อศาสตราอื่นมเสียดายอยากซื้อได้เ ว, ว้นว้นคนาานักา้าทายเจ็บป่วยมากเอาอยามากินหายจะหายก็หายเป็นย่อมพระวนาตายมันแต่ว่าผีตกมาเมห์ที่ตกลงอยู่มัธํานั่นตุ้มพระโสดาบัน มือเห่าอยู่พุัสวดัดเมจวนหมากแม่น้อสโซ่ดาวโซ่ขาดสตีดแม่น้องสู้ๆกูไปในเลี้ยงว่าจะมันคักหลายสู้ไอยโซ่เดี้เพราะว่าจเนี่นักจิ้หายยัง่ะสู้เพะกินน้ากูเพราะว่าแม่นองสูก็พราะงแหงน้ำกูเรากรบเพราะว่า ตัวเด่นกับเด็นแล้วขี่พื้นใช้ไฟขอมายเด่นล่ะพระพุทธเจ้าสอนให้อยากได้เลยสอนให้อยากได้อยู่ให้อยากได้น่างดีพวกอยากได้น่าังตัวนั่นเนี่ยการพูดไรงเหียนไปตัวกันแน่นบอกปุ้ยช่วยนะขี่กระโมยตัวขี่กระไม่ลูกหลานลูกปูทั้งบ้านหมชิบหายมดเดื๋อวนี่ยังเขาเหียนฟังดินก็มี เขามาซื้อที่ดินเพื่อจะเพื่อกรตุ้นนําเงินล้านเงินแสนทีบานนี่ยซื้อขายไปแล้วครับจำนอกไปแล้วครเอาเงินไปเลยเรืเรียนภาษาเรียนภาษาเรีเมืองทที่สอบ้องปองก็ที่ดินก็บบนี้ตะปูก็ยังมีวันกดหูอยู่คนดิแทบแบบมีวันปุูงเงินกุ้งข้ามันเหว็นแล้วไปเฮ็ดมูอห่า ไตตื้นตุ่มตัวโรกสมอิน้องอันเชียันกว่าเขาภาเป็นโรคเขา่าเป็นเนองพูดเพื่องถึงก็บ่าโรคเขา่าพเป็นอกัน